ทรงอนุญาตเพศัตว์หในการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับในที่สงัดได้เกิดความดรฤในพระไทยอย่างนี้ว่าเวลานี้ภิกษุทั้งหลายป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดูสตร์แม้ข้าวต้มที่ดื่มเข้าไปก็กลับอาเจียนออกมา แม้เข้าสวยที่ฉันแล้วก็กลับอาเจียนออกมาภิกษุเหล่านั้นสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพั่งเพราะโรคนั้นเราจะอนุญาตอะไรเป็นยาแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นทั้งตัวยาและชาวโลกถือกันว่าเป็นยาทั้งจะให้ประโยชน์ทางโภชนาหาร และไม่เป็นอาหารหยาบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริดังนี้ว่าเ <_ d> um> พศัชห้าอย่ยางนี้ได้แก่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นทั้งตัวยาและชาวโลกถือกันว่าเป็นยาทั้งให้ประโยชน์ทางโภชนาหาร และไม่เป็นอาหารหยาบหยากระนั้นเลยเราพึงอนุญาตเพศัชห้านี้แก่ภิกษุทั้งหลายให้รับประเคณในการแล้วฉันในการครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกร้นทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายเราหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าเวลานี้ภิกษุทั้งหลายป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดูศาสตร์แม้ข้าวต้มที่ดื่มเข้าไปก็กลับอาเจียนออกมาแม่ข้าวสวยที่ฉันแล้วก็กลับอาเจียนออกมา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 เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเพศัชห้านี้ได้แก่เนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นทั้งตัวยาและชาวโลกถือกันว่าเป็นยาทั้งให้ประโยชน์ทางโภชนาหารและไม่เป็นอาหารหยาบเราพึงอนุญาตเพศัชห้านี้ แก่ภิกษุทั้งหลายให้รับประเคณในการแล้วฉันในการภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับประเคณเพสัต ท, ทั้งห้าเหล่านั้นในการแล้วฉันในการ